ถามฟังจากที่คุณดังตรินอธิบายอานิสงส์ของทานและศีลมาดูเหมือนให้ผลเหมือนเป็นอันเดียวกันอยากทราบว่าตกลงทานกับศีลคือสิ่งเดียวกันหรือจึงให้ผลเหมือนกันทั้งทานและศีลเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้อ่อนโยนมีความสว่างไม่มืดทึบมีความเปิดกว้างไม่คับแคบเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและกันเช่น เมื่อทำทานจนชอบเป็นผู้ให้ย่อมกระดากแม้จะเป็นผู้รับสักครั้งไหนเลือจะริอ่านผิดศีลขโมยของใครมาเป็นของตนคนเรามีสมบัติหลายแบบเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสชี้ความจริงให้แก่เหล่าคนร่ำรวยท่านก็กล่าวว่าศีลคือสมบัติชนิดหนึ่งผู้มีศีลเป็นสมบัติคือถึงพร้อมด้วยศีลด้วยเจตนาเว้นขาดจากความชั่วย่อมรับอนิสง์ห้าประการคือ 1. ได้กองโภคทรัพย์ใหญ่หลวง 2. ชื่อเสียงอันดีงามของคนที่ถึงพร้อมด้วยศีลยอมเฟื่องฟุ้งไป 3. เป็นผู้แกล้วกล้าไม่ขวยเขินในการเข้าที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นพวกไหนเหล่าใด 4. ไม่หลงเลอะเทอะขณะกำลังจะตาย 5. เบื้องหน้าหลังจากกายนิดับลงยอมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ สรุปคือถือศีลดีๆได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งความเชื่อมั่นในตนเองได้ทั้งสติได้ทั้งสวรรค์ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการทำทานดีๆแต่อย่างใดเลยครับอา น, นิส ง, งส์ของศีลไม่ใช่ว่ามีแค่ห้าข้อเท่านี้ยังมีผลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาชาติระกูลสติปัญญาและอื่นๆทั้งหมดที่พระพุทธองค์ตรัสนี้ เพื่อให้เห็นอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติภายนอกและสมบัติภายในเท่านั้นเรื่องของเรื่องคือหาคนที่พร้อมบริบูรณ์ทั้งทานและศีลได้ยากบางคนชอบทาทานแต่ไม่ชอบรักษาศีลบางคนชอบรักษาศีลแต่ไม่ชอบทาทานผลเลยออกมาลักลั่นอย่างที่เห็นโดยทั่วไปเช่นบางคนสุดหล่อสุดสวยแต่ยากจนและมีเครื่องยั่วให้เอาตัวไปขาย บางคนฐานะดีมีปัญญาครบแต่ขี้ริ้วขี้เรจนเป็นปมด้อยไปทั้งชาติหากพบเจอคนที่มีพร้อมไปทุกด้านทั้งรูปร่างหน้าตาความภูมิใจในเพศแห่งตนฐานะการเงินเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนสติปัญญาความรู้ความสามารถก็ขอให้ทราบเถอะว่าในอดีตพวกเขาบำเพ็ญทั้งทานทั้งศีลไว้ไม่บกพร่องครับ และการทําทานรักษาศีลในปัจจุบันของพวกเขาก็จะเป็นตัวกําหนดต่อไปว่าข้างหน้าจะยังคงเลิดลอสมบูรณ์แบบเหมือนที่เห็นอยู่หรือไม่มันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอย่างให้ลองดูเรื่องกันคือการกลดทั้ของเธอไม่คิดในใจอาจคอยสมผล รับแตเมือนคงกับการส่งหันข้างกันก็ทำอะไรทำดีหรือไรวันนั้นคือกัน